มีพระและคารวาสทำได้กันอยู่มากเพียงแต่มรรคผลเป็นธรรมชาติลีลับไม่ปรากฏแสดงด้วยนิมิตหมายที่ชัดเจนพูดง่ายๆว่าธรรมชาติไม่แปะป้ายบอกไว้ว่านายคนนั้นนางคนนี้ได้มรรคผลถึงชั้นไหนและธรรมดาผู้ได้มรรคผลก็มักขวนขวายน้อยปกปิดตนเองเพราะไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว